จริงๆ ก, ก็รับสั่งให้สร้างโรงทานนั่ น, นอยู่ในคันนั่นแหละคือที่ประตูพระนครสี่แหง่ทงทั้งท่ามกลางพระนครหนึ่งแหง่งที่ประตูพระนิเวศอีกหนึ่งแหง่งสละทรัพย์วันละหกแสนทุกๆวันที่ได้ทรงแพ้พระคันแพ้คันพิเศษว่า ง, งั้นเถิดถ้าให้ทานแล้วจะหายแพ้คันว่า ง, งั้นคนอื่นแพ้คันทั่วไปบางคนอยากจะทานมะพร้าวบ้างบางคนอยากจะทานเนื้อทานเลือดพระเจ้าชาติศัตรูนี่อยากจะได้เลือดชิมเลือดของของพระเจ้าพิมพ์พิสารน่าจะอร่อยนะ แต่นี้แพ้คันเนี่ยอยากจะให้ทานพระราชาฟังว่าพระนางแพ้คันจึงรับสั่งให้เรียกพราหมณ์ผู้ทำนายโชคชะตามาตรัสถามโรงก็ฟังคากราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าสัตว์ผู้มีบุญมากยินดีในการให้ทานจะอุบัตในพระคันของพระเทวีสัตว์นั้นจะไม่อิ่มด้วยการให้ทานพระเจ้าข่าโอ้พ่อนี่ดีใจมาก ดีใจที่จะได้ลูกชายที่นักให้ทานก็ทรงให้ทานดังกล่าวแล้วนะตามความปรารถนาของลูกเมื่อลูกอยากจะให้ทานพ่อก็ตั้งโรงทานให้ตามใจลูกนั่งลูกอยู่ในคันแล้วนะเกิดได้ไม่กี่วันเนี่ยนะพระองค์ก็ทรงให้สมณะพราเอ่อทรงให้ทานแก่สมณะพรามคนแก่คนเดือดร้อนคนยาจกคนเดินทางวันนิพกยาจกพระเนจรให้อิ่มหนำสาราญ ตั้งแต่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิความเจริญของพระราชาหาประมาณไม่ได้ด้วยบุญญาุภาพของพระโพธิสัตว์นั้นพระราชาทั่วชมพูทวีปต่างส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเนี่ยนะกษัตริย์เมืองอื่นมีทรัพย์สินมีอะไรเขาก็โยกเอามาให้กันหมดเนี่ยนะด้วยบุญอย่างที่พระองค์ตรัสว่าในการเมื่อเราเนี่ยลงสู่พระคันของพนางพุทดีพระมารดาที่รัก ด้วยเดชของเราพระมารดาเป็นผู้ยินดีในทานทุกเมื่อพระองค์นั้นให้ทานแก่คนยากจนคนป่วยไข้คนแก่ยาจกคนเดินทางสมณะพราหมณ์คนสิ้นเนื้อประดาตัวคนไม่มีอะไรเลยก็ให้ไปหมดนะเพราะอะไรเพราะอัธยาศัยในการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทาให้แม่มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานก็จริงนะถ้าเวลาเราอยู่ใกล้คนที่ชอบให้ทานเราก็พลอยอยากจะให้ทานไปด้วย อยู่ใกล้ๆคนตนีเราก็อยากจะตนีตามไปด้วยเพราะคนที่เหมือนกันถ้ามีลูกที่มีอัธยาศัยดีอยู่ในคันทําให้แม่มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทาน น, นะถ้าเป็นลูกนักเลงมาเกิดอะไรจะเกิดขึ้นนะแม่ในนินสัยยังไงเลยนะมันพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่ไม่อิ่มในการให้ทานนะไม่อิ่มในการให้ทานมีอัธยาศัยน้อมไปในการบริจาคทาน พระเทวีนั้นเมื่อได้รับการบริหารคันเป็นอย่างมากกล่าวว่าตั้งแต่มีคันเนี่ยได้รับการโอาอกเอาใจเพิ่มขึ้นนะซึ่งจากเด็กต่างจากเด็กบางคนนะพอรู้ว่ามีคันปั๊บพ่อทิ้งเลยอะจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะพอมีคันรู้ว่ามีท้องปั๊บเนี่ยพ่อทิ้งเลยถูกไล่หนีออกบ้านเลยนะกลายเป็นคนเดือดร้อนทันทีแต่พระเทวีมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนางได้รับการบริหารได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อครบสิบเดือน ครบ10เดือนพอดีเนี่ยนะพระเทวีก็มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครจึงกราบทูลพระราชสามีพระราชากราบสั่งให้ตบแต่งพระนครดุจเทพนครอันเชิญพระเทวีขึ้นรถอันประเสริฐแล้วให้กระทําประทักษิณพระนครพระนางนั้นเสด็จไปถึงท่ามกลางถนนของคนทำการค้าขายลมกรรมชวาดเกียวลมที่เกิดจากกรรมก็ได้ปั่นป่วนขึ้นพวกอมาก็กราบทูลแด่พระราชา พระราชากราบสั่งให้สร้างเรือนประสูตรเรือนประสูตรที่ใช้ผ้าม่านเนี่ยนะเป็นหลักแก่พระนางที่ถนนของพวกคนทำการค้านั่นเองแล้วก็ให้มีการจัดตั้งอารักขาเป็นอย่างดีพระนางก็ประสูตรพระโอรสในที่นั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระนางผู้สเีนี้ทรงพระคันครบรบสิบเดือนเมื่อพระเจ้าสนชัยกระทาประทักษิณพระนครนางก็ประสูตรเรา ณท่ามกลางถนนของพวกคนทําการค้านามของเราไม่เนื่องด้วยฝ่ายพระมารดาและไม่เกิดเนื่องด้วยข้างพระฝ่า ย, ายพระบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายเวสเวสน ะ, ะนะปราอัก ษ, ษรพรามณ์เวสเวสก็คือแพทย์แล้วก็สูตรเพรานั้นเกิดที่ถนนของคนค้าขายก็เลยชื่อว่าเวสันดรเวสานันก็คือพวก พ่อค้าใช่ไหมก็เลยมีชื่อว่าเวเออะไรนะตัสมาเวสันตโรอหุเพราะในครั้งนั้นเราเกิดณนะถนนถนนของคนค้าขายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันดร น, น, นะเวสะอันตระก็คือในระหว่างถนนของพ่อค้านั่นเองพระโพธิสัตว์นี้ทรงประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาก็ทรงเฉลียวฉลาดทรงลืมพระเนตรประสูติเนี่ยนะเรียกว่าลืมตาคลอดเหมือน ถ้พูดแบบสมัยหมอหมอสมัยใหม่ก็บอกโอ้ยไม่ติดเชื้อแย่เลยอะไรเงั้นแต่นี้ก็อย่าไปอะไรนะอย่าไปเอาคนมีโรคไปเปรียบกับผู้มีบุญอะไรเงั้นคนมีโรคกับคนมีบุญมันต่างกาันฉนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดมาก็ลืมพอประสูตรก็คือลืมตาได้พอประสูตรนั่นเองพระองค์ก็เหยียดมือเรียกว่าเหยียดพระหัตตัดกับพระมารดาว่าแม่จา๋าลูกจะให้ทานแม่มีอะไรบ้างมีลูกลูก คลอดออกมาปั๊บแบมือขอตังแม่เลยแม่มีอะไรบ้างลูกจะให้ทานนะมารดาของพระโพธิสัตว์ก็มอบถุงทรับหนึ่งพันที่อยู่ใกล้พระหัตถ์ด้วยพระดํารัสว่าลูกรักเจ้าจงให้ทานตามอัธยาศัยเถิดก็คือแม่เนี่ยดีใจมากนะว่าลูกลูกเกิดในตระกูลที่มีซัพย์แล้วลูกไม่ต้องห่วงหลอกลูกให้ทานตามสบายก็เลยให้จริงอยู่พระโพธิสัตว์พอประสูนย์ก็พูดได้ในสามชาติ สามชาติคือชาติไหนในอุ მ ม, มังคะชาดกคือมโหสถบัณฑิตนะนะไปดูในเรื่องมโหสถมโหสถบัณฑิตนั้นพอคลอดออกมาเนี่ยเท้าสักกาก็เอายาไปวางไว้ในมือนะวางไว้ในมือทีนี้แม่ก็ลืมแม่มองดูว่าอ้าลูกถืออะไรมาบอกถือยามาแม่ก็เลยบอกให้คนเนี่ยเอายาเอายารากมาเนี่ยไปฝนฝนแล้วก็เอายาเนี่ยไปให้พ่อที่เศรษฐีเนี่ยนะ เป็นโรคปวดศีรษะมาเจ็ดปีท่า น, นฝนฝนยาทิพย์อันนั้นก็หายโรคอันนี้ในชาติหมโหสถบัณฑิตส่วนในชาดกเรื่องนี้คือพระเวสสันดรชาดกและอัตภาพสุดท้ายคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์ประสูตรออกมาก็พูดได้คนทั่วไปก็ชอบจะเอาตัวเองไปเปรียบกับพระโพธิสัตว์ก็ปัฎากันปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธผู้มีบุญแต่ก็อย่าลืมว่าสังสารวัฏอันเนิ่นนานท่านก็มีอยู่ สามชาตินี่แหละพระราชาก็ให้แม่นมเนี่ยหกสิบคนที่มีน้ํานมหวานแล้วก็เลือกแม่นมพิเศษนะต้องไม่สูงเกินไปต้องไม่เตี้ยเกินไปต้องไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปเป็นต้นเนี่ยเขามีเหตุผลว่าถ้าหากว่าแม่ให้แม่นมสูงเกินไปเนี่ยนะเวลาลูกมันต้องยืดคอขึ้นใช่ไหมถ้าเตี้ยเกินไปนี่ก็ต้องหดตัวก็จะหาพอดีพอดีนะแม่นมเนี่ยไม่ได้ เสร็จแล้วก็พระราชทานแม่นมแก่ทารกนะให้ให้คนเลี้ยงดูอีกหกหมื่นที่เกิดหมายคะว่าให้แม่นมหมายคะว่าให้ผู้หญิงไปช่วยดูลแลเด็กอีกหก0 0 0่นคนที่เกิดพร้อมกับพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์ไม่ได้ประสูติแต่เพียงผู้ดเดียวเนี่ยนะอามาตทั้งหลายที่มีมเหสีเนี่ยอามาตยกมเหสีอามาตยคลอดเนี่ยหกหกหมื่นคนพระโพธิสัตว์เจริญวัยพร้อมด้วยบริวารพร้อมกับทารกหกหมื่นคน แต่สมัยนี้เราก็มาดูสิเด็กประถมเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยอายุเท่าไหร่ใช่ไหม ถ, ถ้าเทียบเป็นรายรายปีเนี่ยนะเด็กอย่างเด็กป .1 เนี่ยทั่วประเทศมีเท่าไหร่เด็กป .2 มีเท่าไหร่ป .3 ม, มีเท่าไหร่ป .4 มีเท่าไหร่เป็นต้นอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันแหมทั้งชาติบ้านเมืองเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดอ่ะนะที่ที่ประสูตรในช่วงนั้นก็ไม่ใช่แบบคลอดนาทีเดียวกันอะไรขนาดนั้นหรอกสรุปก็เหมือนน่ะอะไรนะนักเรียนรุ่นน่อนะนักเรียนรุ่น พระราชาก็รับสั่งให้ช่างเนี่ยทำเครื่องประดับแก่พระกุมารมีค่าหนึ่งแสให้ไปพระราชทานแก่กุมาร น, นั้นพระกุมารเนี่ยนะก็ทําไงพอให้มาประดับเสร็จพอถอดถอดเพื่อจะอาบน้ําเป็นต้นให้แม่นมถอดแล้วไม่มีการรับคืนถอดพันแม่แม่นมก็เอาไปถวายให้แก่แบอบกพระราชาวัา น, เว น, นเนี้ยพระเวสสันดรเนี่ยถอดให้อย่างนี้แล้วก็ไม่รับ ก็บอกว่าลูกเราให้แล้วก็เป็นอันให้เลยเพราะฉะนั้นเอาไปเลยเสร็จแล้วก็ทาสั่งทางเครื่องประดับใหม่อีกก็พอพอถึงเวลาสงน้ำท่านก็ถอดให้แล้วก็ให้เลยอย่างเงี้ยให้อยู่เก้าครั้งเพราะฉะนั้นเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยนะเด็กอายุไม่กี่ขวบเนี่ยให้เครื่องประดับราคาเป็นแสนไปแล้วเก้าครั้งด้วยกันทีนี้ตอนที่พระองค์มีอายุแปดขวบ ในการเมื่อเราเป็นทารกมีอายุแปดปีแต่กาเนิดในครั้งนั้นเรานั่งอยู่บนปราศาสตคิดเพื่อจะให้ทานว่าเราพึงให้หทัทัยหมายก็ว่าให้เนื้อหัวใจเป็นทานให้ดวงตาเป็นทานแม้เนื้อและเลือดเราก็พึงให้เราพึงให้ทานทั้งกายถ้าใครได้ยินแล้วพึงขอกับเร า, เ, านะเมื่อเราคิดถึงความเป็นจริง จิตของเราไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู่ในขณะนั้นแผ่นดินเคาวิเนรุราและป่าหิมะวันก็ได้หวั่นไหวแผ่นดินไหวครั้งแรกพ ร, พระเวสสันดร น, นั่นนะเป็นคนที่ให้แล้วแผ่นดินไหวอยู่เจ็ดครั้งด้วยกันอันนี้ครั้งแรกที่แผ่นดินไหวอัตกะถะอธิบายว่าเมื่อพระชนได้แปดพระพันษาพระองค์นี้บรรทมเหนือพระยี่ผู้นะบนที่นอนอันประเสริฐก็ดําทธิว่า เรานี่ให้แต่ทานภายนอกทานภายนอกนั้นก็ไม่เป็นที่พอใจแห่งเราหมายคือว่ายังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยเราประสงค์จะให้ทานในภายในผน้าหากว่าใครๆพึงขอหัไทกับเราเราจะนำหัตไทออกให้หากพึงขอจักสสุกับเราเราก็จะควักจักสสุให้หากพึงขอเนื้อหรือเลือดในร่างกายทั้งสิ้นของเราเราก็จะเชื้อเนื้อจากร่างกายทั้งสิ้น เอาดาบเจาะเลือดให้แม้ใครๆจะพึงกล่าวว่าขอท่านจงเป็นทาตของเราเถิดเราก็ประกาศแล้วให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยแก่เข้าไปให้ไปเป็นทาตกรรมกรของเขาเมื่อพระกุมารเนี่ยนะอายุแปดขวบคิดอย่างนี้ตามความเป็นจริงคิดจริงนะไม่ใช่คิดเล่นๆนะเพราะคิดจะทำอย่างนั้นจริงๆเลยแหละถ้ามีผู้ใดไปให้ทำอย่างนั้นนะพระองค์ก็ทาจริงพระ เพราะฉะนั้นแผ่นดินที่หนาแปดหมื่นสี่พันโยธก็หวั่นไหวจนถึงที่สุดของน้ำรองแผ่นดินผู้เขาสิเนรุกโน้มและก็ไปตั้งอยู่ตรงพระนครเชตุดอนคเราทุกอย่างนี่น้อมไปบูชาพระโพธิสัตว์หมดเกิดแผ่นดินไหวใหญ่หมดไปเลยนะในครั้งนั้น พันพระองค์ตรัสว่าในการเมื่อเราเป็นทารกอายุแปดปีแต่กำเนิดในครั้งนั้นเรานั่งอยู่บนปราศาสคิดเพื่อจะให้ทานว่าเราพึงให้หัทถ ay จักสุแมเนื้อและเลือดของเราก็พึงให้ทานทั้งหลายเราให้ทานทั้งกายถ้าใครได้ยินแล้วพึงขอกับเราเราคิดถึงความเป็นจริงจิตใจของเราก็ไม่หวั่นไหวใจไม่หดหูในขณะนั้นแผ่นดินภูเขาสีเนรุ ก, ก็ได้หวั่นไหว อธิบายว่าเพราะจิตหวั่นไหวกล่าวคือจิตหวาสดสะดุ้งในการให้จักสุปเป็นต้นของผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ด้วยความโลภเป็นต้นและจิตซบเซากล่าวคือความหดหู่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นคนบางคนเนี่ยนะแค่คิดจะให้แค่นั้นและสะดุ้งเฮือกเลยนะเสียใจมากอย่าว่าอะไรนะอย่าว่าแต่ อะไรนะเหมือนกับคนที่มีขนมเนี่ยถือเอาขนมมาดีๆเนี่ยคิดไปคิดมาเอ้ท่าน้องมาขอเราเนี่ยแหมใจแป้วเลยกนละัวน้องจะขอเป็นต้นบางคนเนี่ยลักษณะนั้นแต่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยแค่คิดจะให้แค่นั้นแหละแหมเศร้าใจเลยบางคนเนี่ยพอบอกว่าเออของอันนี้เอาไปให้ตอนแรกก็ดีใจเหมือนกับว่าเป็นสมบัติของเราใช่ไหมอบอเอาออกไปให้ใจนี่แป้วเลยนะ เรีว่าซบเซาหดูหไม่มีกระจิตกระจายแล้วหมดอะไรตายอยากไปหมดรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นของคนอื่นพระโพธิศัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือท่านสมท า, านในการประพฤติกุศลจริงๆเพรา ะ, ะ น, นท่านจึงไม่หวั่นไหวในการให้มีใจน้อมไปเพื่อจะให้เพราะฉะนั้นภูเขาสซเนรุนี่จึงหวั่นไหวนะะ อันหนึ่งเมื่อแผ่นดินไหวเป็นอยู่อย่างนี้ท้องฟ้ากระหิ่มยังฝนชั่วคราวให้ตกสายฟ้าแลบประโลกซัดในมหาสมุทรเท้าส ก, กะก็ปรบประหัดเทวดานี่ตบมือให้เลยนะมหาพรหมก็ซ้องสาธุการความเอิกกระโกลาหนได้มีจนถึงพรหมโลก เพราะว่าผู้มีบุญทั้งหลายเข้าร่วมอนุโมทนาว่าโอ้ยจริงแท้จริงแท้รแทพระภทธิสัตว์เป็นผู้ที่มีบุญเนี่ยนะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแน่แท้ถ้าท่านมีอัธยาศัยน้อมไปอย่างนี้ก็พากันอนุโมทนาในเดือนเต็มวันอุโบสถที่15้าเนี่ยนะทุกๆครึ่งเดือนคือส5้าวันเราขึ้นคอมงคลหัดทีปัจยนาถเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทาน เรีว่าทุกสิห้าวันจะต้องเยี่ยมโรงทานพราหม์ทั้งหลายชาวกะลิงครัตได้เข้ามาหาเราเราก็ได้ให้พรยาโคชจสารทรงอันประดับด้วยมงคลหัตถีราวกะว่าชนบทนะทําไมจึงให้เพราะว่าเขาบอกว่าชนบทของเขาเนี่ยฝนไม่ตกเกิดทุกพิกขภยัยเกิดความอดอยากมากมายพราหมทั้งหลายก็เลยขอขอว่าขอพระองค์จงโปรดพระราชทาน พยาคตจสารตัวประเสริฐเพือกผ่องอันเป็นช้างอุดมมงคลพราหมทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ใจของเรายินดีในทานบางคนรู้ว่าคนอื่นจะมาให้แอบเก็บของไว้ก่อนกลัวคนอื่นจะเห็นใช่ไหมอันนี้ไม่ไ ม, ไม่แอบไม่เก็บไม่ซ่อนของที่มีอยู่หรอกเมื่ อ, อยาจกมาถึงแล้วการห้ามคือการไม่ให้ไม่สมควรแก่เรา กุศล ส, สมาทานของเราอย่าทําลายเสียเลย น, นะกลัวกลัวจะเสียหายกุศลที่ตัวเองสมาทานเอาไว้เราจักให้โคจรสารตัวประเสริฐเราได้จับงวงพญาโคจรสารวางลงบนมือของพรามแล้วจึงหลั่งน้ําเต้าทองลงบนมือได้ให้พญาโคจรสารแก่พรามเมื่อเราให้พญาโคจสารอันอุดมเผือกพอง แม้ในการนั้นภูเขาเิเนรุราชและป่าหิ ม, มาพานต์ก็ได้หวั่นไหวอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่สองนะนะครั้งแรกตอนอายุ8ดขวบนะ น, นี้ตอนอายุ16ปีนะปีนี่จริงๆเนี่ยโหถือว่าได้ช้างทรงขนาดนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าออขออภัยนะอายุมากกว่า16ปีแล้วขอโทษนะ16ปีนี่แต่งงานนะในอัตตกถาทิบายว่าเมื่อพระโพ ธ, ธิสัตว์มีพระชนได้16พันสา พระองค์ก็ทรงสำเร็จศิลปะทุกขแขนงเนี่ยนะก็เรียนจบหมดตอนอายุ16ปีนะแสดงว่าเรียนจบเร็วกว่ายุคนี้มากยุคนี้30ปียังไม่ถึงไหนเลยนะพระบิดาของพระองค์มีพระประสงค์จะมอบราชสมบัติให้จึงทรงปรึกษากับพระชนนีเนี่ยนะ ก, ก่อนที่จะยกราชสมบัติให้ก็นำนางราชกัญญากัญญานี่แปลว่าหญิงนะหรือแปลว่านางก็นานางราชกัญญาชื่อว่ามัซี ผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าลุงจากตระกูลมัท ร, ราตแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอัครมเหสีชาติเป็นพระเวสสันดรกับชาติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเหมือนกันคือแต่งงานกับลูกลุงเหมือนกันอย่างชาติพระเจ้าชายสิทธัตถะก็แต่งงานกับลูกของพระเจ้ามหาสุปปุทธะเออขอไปลูกพระเจ้าสุปปุทธะพระเจ้าสุปปุทธะนั้นก็คือพี่ชายของพระนางมหามายานั่นแหละชาตินี้ก็เหมือนกัน ก็แต่งงานกับลูกของลุงเหมือนกันพระนางมัสซีนั้นเป็นหัวหน้าของสตรีหนึ่งหมนพนางและก็ได้อภิเศษพระโพธิสัตว์ให้ครองราชสมบัติได้ว่ามงคลครองราชกับมงคลแต่งงานเนี่ยพร้อมกันเลยพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ทรงครองราชสมบัติก็สละพระราชทรัพย์วันละหกแสนทุกวนทรงบริจาคมหาทาน พระองค์ก็ตรวจตราโรงทานของพระองค์ทุกครึ่งเดือนเนี่ยนะว่าทานของพระองค์ยังให้เป็นไปดีให้อย่างต่อเนื่องไหมเป็นต้นครั้นต่อมาพระนางมาัตสีประสูติพระโอรสพวกอมัดก็รับพระองค์ด้วยตะข่ายทองเพราะเหตุนั้นจึงขนานทนามว่าชาลีกุมารชาลีก็คือมีตะข่ายนะก็ใช้ตะข่ายรองรับนะก็เลยเรียกชื่อว่าชาลีกุมารตะข่ายทอง เมื่อพระชาลีกุมาเนี่ยทรงดําเนินได้ก็อย่างน้อยก็ขวบสองขวบนะนะพระนางมัต ส, สีก็ได้ประสูตศพระธิดาอีกองคหนึ่งพวกอมาร์ตก็รับพระธิดานั้นไว้ด้วยหนังหมีดําเพราะฉะนั้นนางจึงชื่อว่ากันหาชินาเรียกว่ากันหาก็แปลว่าดําใช่ไหมชินาก็คือพวกเสือเสือชนิดหนึ่งที่ผิวดําก็คือหมีนั่นแหละเรียกว่าใช้หนังหมีรับนะรับลูกกันนะพระองค์จึงตรัส เ, เล่าว่า คือตอนที่มีลูกเจริญเติบโตมีอยู่วันหนึ่งในวันอุโบสถเต็มสิบห้าคำทุกครึ่งเดือนเราก็ขึ้นคอมงคลหัตถีปัจจญนาคเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานถ้าในชาดกนี้เล่าให้ฟังว่าวันที่พระโพธิสัตว์ประสูตรเนี่ยน ะ, ะแม่แม่ช้างเนี่ยก็เอาลูกช้างมาให้แล้วแม่ช้างก็หนีไปเพราะฉะนั้นช้างตัวนั้นก็เลยเรียกว่าปัจญนาปัจญนา หลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยน ะ, ะปัจญยนาก็เจริญเติบโตมาควบคู่กันไปนช้างอายุสิบกว่าปีแล้วก็สิบหกปีเหมือนกันหรืออายุยี่สิบปีแสดงว่าพระองค์เนี่ยเป็นตอนนี้ก็ราวอายุสักพระชนยี่สิบเศษเศษเนี่ยนะพระองค์ก็ขี่ช้างปัจญยนาไปตรวจโรงทานใช่ไหมไอ้คำว่า ปัจยยนาคังมงคลหัตถีชื่อว่าปัจจยนาอธิบายว่าในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูตรแม้ช้างเที่ยวไปในอากาศเชือกหนึ่งนำลูกช้างเผือกตลอดทั้งตัวเป็นช้างที่เขาถือว่าเป็นช้างมงคลอย่างยิ่งมาปล่อยเอาไว้ในที่ของมงคลหัตถีแล้วก็กลับไปเพราะช้างนั้นได้มาเพราะพระโพธิสัตว์เป็นปัจจัยก็เลยมีชื่อว่าปัจจยนาเราขึ้นช้างมงคล น, นั้นในที่นั้น ขึ้นปั จ, จัยนาเข้าไปยังโรงทานเพื่อจะให้ทานอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพรามทั้งหลายชาวกลิงครัตได้มาหาเราได้มาขอพญาคคจสารส่รงเนี่ยนะคือเป็นช้างส่งช้างพระที่นั่งอันประกอบด้วยมงคลหัตถีกับเราวิธีขอก็ขอว่าชนบทฝนไม่ตก เกิดทุพพิฆภัยอดอยากมากมายขอพระองค์โปรดพระราชทานพยาคตจสารตัวประเสริฐเผือกผ่องอันเป็นช้างมงคณอุดมถ้าพูดแบบสมัยนี้นะก็คือพระราชามหากษัตริย์เนี่ยพระองค์นั่งรถมาเลยนะนั่งพระราชรถมาก็มีคนมาขอรถไปต่อหน้าต่อตาเงี้ยนะถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปทําใจได้ไหมเราขี่รถไปที่ไหนคนมาขอรถเราไปเรื่อยๆอย่างเง้ยนะถ้าไม่ได้สมาทานแบบพระโพธิสัตว์มาหรือไม่ใช่พระโพธิสัตว์จริงๆทําใจไม่ได้หรอก ทันพระองค์เมื่อประกาศความยินดีอย่างยิ่ ง, ท, งทั้งทั้งที่พระองค์เนี่ยนะอ ย, อยู่บนคอช้างนะดีใจมากพระองค์ประกาศว่าพรามทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่บางคนนี่มีเหตุผลจนให้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นคนทั่วๆไปให้ไม่ได้ช้างนี้เป็นช้างบ้านช้างเมืองช้างมงกลช้างพระที่นั่งสรุปว่ามีเหตุผลจนให้ไม่ได้พระโพธิสัตว์บอก ไม่ซ่อนเร้นหรอกเราจะให้เพราะใจของเรายินดีในการให้พระองค์ก็ปฏิญาณว่าเมื่อยาจกมาถึงแล้วการห้ามไม่สมควรแก่เรากุศลสมาทานของเราอย่าทําลายเสียเราจะให้คจฉาสตัวประเสริฐเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากคอคจฉาสทรสงพี่าจรนาเพื่อตรวจ ด, ดูสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่ง พระองค์ก็ไม่เห็นสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่งจึงทรงจับพระน้ําเต้าทองที่เต็มไปด้วยน้ําหอมเจือด้วยดอกไม้ตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมาข้างนี้แล้วก็ทรงจับงวงโคชสารเช่นกับพวงเงินที่ตกแต่งแล้วก็วางไว้บนมือของพวกพราหมณ์พระองค์ก็ทรงหลังน้ําแล้วพระราชทานพระยาโคชสารที่ตกแต่งเอาไว้เป็นอย่างดีแก่พวกพราหมณ์ ดัทงที่พระองค์ตรัสว่าเราได้จับงวงพยาคชสารวางลงบนมือพรามแล้วจึงหลั่งน้ำเต้าทองลงในมือแล้วก็ให้ได้ให้พยาคชสารนั้นแก่พรามทั้งหลายบทว่านับปฏิคุยหามิคือไม่ปกปิดเพราะผู้ใดคิดว่าของของตนต้องเป็นของเราเท่านั้นดังนี้หรือเขาขอแล้วก็ปฏิเสธผู้นั้นชื่อว่าปกปิดแม้ของ ที่ตั้งเอาไว้ต่อหน้าผู้ขอทั้งหลายโดยใจความส่วนพระโพธิสัตว์นั้นมีพระประสงค์จากพระราชทานสิ่งที่พระองค์พระราชจะตั้งใจจะพระราชทานมีอะไรมั่งตั้งแต่ของภายในตั้งแต่ศีสระเป็นต้นของพระองค์นะตั้งกับศีสะไล่ไปหมดนะนัสรีระเบื้องบนเนี่ยกายาวานาคืบกว้างศอกของพระองค์เนี่ยพระองค์จะให้หมดแหละพระองค์จะปฏิเสธทานภายนอกได้อย่างไรท่านพระองค์บอกว่าเราจะไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ทานเนเมรัมโตเอ รัมมะเตมโนใจของเรายินดีในทานพูดถึงเครื่องประดับของช้างมีอะไรบ้าง น, นะเครื่องประดับที่เท้าทั้งสของโคชสารนั้นมีค่าสี่แสนเนี่ยนะก็เรียกว่ากําไรเท้าของช้างมีราคาสี่แสนและเครื่องประดับที่สีข้างทั้งสองนี้ก็มีหลักข้างข้างสีข้างทั้งสองของช้างก็สองแสนผ้ากําพลที่ใต้ท้องมีค่าอีกแสนหนึ่งตะคาย บนหลังตะข่ายเนี่ยนะมีสามตะข่ายคือตะข่ายแก้วมุกดาตะข่ายแก้วมณีตะข่ายทองคำก็มีราคาอย่างละแสนก็รวมอีกสามแสนเครื่องประดับหูของช้างอ่ะนะเออมช้างมีตุ้มหูหรือเปล่าเนี่ยก็มีข้างละแสนก็เป็นสองแสนผ้ากาพลที่ลาดบนหลังมีค่าอีกหนึ่งแสนเครื่องประดับกระพองกระพองช้างก็มีราคาอีกหนึ่งแสนพวงมาลัยมีอยู่สามพวงแต่ละพวงมีค่าพวงละแสนก็เป็นสามแสน เครื 200, ่องประดับปลายหูช้างก็มีราคาอีกหนึ่งแสนเครื่องประดับงาทั้งสองข้างก็มีราคาอีกสองแสนเครื่องประดับอันนัเครื่องประดับตากระแตนเครื่องประดับตาท่าบี่งวงมีราคาอีกหนึ่งแสเครื่องประดับหางมีราคาหนึ่งแสนว่าขนาดหางกระดิกไปกระดิกมามีราคาแสนหนึ่งเครื่องประดับนะบันไดพาดขึ้นลงเนี่ยมีราคาอีกแสนหนึ่ง ภาชนะใส่อาหารให้ช้างมีราคาอีกแสนของประมาณเท่านี้เนี่ยนะส่วนเครื่องประดับทั้งหมดว่ารวมๆก็มีค่าสองล้าน4ี่แสนส่วนสิ่งที่หาค่าไม่ได้มีอยู่หกอย่างคือแก้วมณีที่พุ่มฉัดหมายคืาว่าพระองค์เนี่ยมีฉัดอยู่ด้วยใช่ไหมพุ่มฉัดยอดฉัดนั่นอนะ่ะมีแก้วมณีอันหนึ่งที่มีราคาหาประมาณไม่ได้จุลามณีก็มีค่าหาประมาณไม่ได้แก้วมุกดาอีกหนึ่ง แก้วมณีที่ตะขออีกหนึ่งแก้วมุกดาหารที่สวมอคอโคจสานอีกหนึ่งแก้วมณีที่กระพรองอีกหนึ่งแม้ตัวช้างก็มีค่าหาไม่ได้เหมือนกันรวมของที่หาค่ามีได้เจดอย่างกับตัวช้างคือวันนั้นเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีเครื่องประดับบนช้างมาอย่างไรทั้งหมดพระองค์ลงแต่ตัวพอลงแต่ตัวบอกของทั้งหมดที่ ม, ทมีอยู่นั้นให้หมดเลยพระโพธิสัตว์พระราชทานของเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ ให้แก่พรามทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์พระราชทานตระกูลบำรุงช้างอีกห้าร้อยตระกูลพร้อมด้วยควานช้างคนเลี้ยงช้างเนี่ยนะอให้ไปหมดเลยพร้อมกับพระราชทานขณะที่พระองค์ให้เนี่ยนะก็เกิดอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นโดยในที่กล่าวและในหุ้นหลังสรุปว่าเมื่อเราได้ให้พญาโคจสารอนุดมเผือกผ่องอีก แม้ในการนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรูราชและป่าก็ได้หวั่นไหวในเมื่อเราให้พยาโคจรสารอันประเสริฐความน่ากลัวความสยดสยองขนพองสยองกล้าวได้เกิดขึ้นแผ่นดินก็หวั่นไหวนะราว ด, ด้วยอนุภาพของการให้ของพระโพธิสัตว์อันนี้เหล่าอมารชุมชนพรามหมณ์ครหฮะบดีชาวนิคมชาวชนบทชาวเมืองชาวแ ว, ว่นแคว้นทั้งหมดทั้งสินยกเว้นแต่พระเจ้าสรรชัยกับพนางพุทดีพนางมัสสี ชนที่เหลือทั้งหมดชื่อว่าสิวิโยพวกคนเหล่านั้นพาการโกรธพระโพธิสัตว์หมดเลยไม่มีใครอนุโมทนาเลยนะสาธุไม่มีเลยมีแต่ว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยะทำอย่างนี้ได้ยังไงทาอย่างนี้ได้ยังไงก็พากาันรประชุม นัยะว่าพราหมณ์เหล่านั้นครั้นได้พยาคดจสารเนี่ยนะก็คือขึ้นคดจสารเข้าไปทางประตูใหญ่พากันดื่มถวายพระพรณท่ามกลางพระนครเมื่อมหาชนพูดกันว่าพราหมณ์ผูดเจริญท่านขี่ช้างของเรามาจากไหนพราหมทั้งหลายก็บอกว่าพระเวสสันดรมหาราชพระราชทานแก่เราพวกท่านเป็นใครแล้วก็บกมือไล่พากันเดินทางต่อไปเพราะฉะนั้นมหาชนมีอํามาศเป็นต้นพากันประชุมที่ประตูพระราชวังกล่าวโทษว่า พระราชาเนี่ยควรจะพระราชทานทรัพย์ข้าวเปลือกนาไรส่สวนให้ข้ า, าทาสหญิงชายนางกำนันแก่พวกพราหมณ์แต่ว่าพระเวสสันดรมหาราชพระราชทานมงคลหัตถีอันเป็นช้างพระที่นั่งนี้ไปได้อย่างไรบัดนี้พวกเราจะไม่ให้ราชสมบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าให้ปกครองอย่างนี้ราชสมบัติพังพินาศแน่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเจ้ากรุงสันชัยนะที่ปรึกษาพระราชาบอาโอ้ไม่ได้แล้ว ไ, ไม่ได้แล้ว พระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชก็ต้องเห็นด้วยตามคําแนะนํารับจะทําตามแล้วก็พากันกลับไปคือปฏิเสธไม่ได้นะหมายเขาว่าเพราะว่าอะไรนะบ้านเมืองทั้งหมดมาประชุมประท้วงกันเต้นไปหมดเลยเพราะนั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์อย่าฆ่าพระเวสสันดร น, นั้นด้วยท่อนไม้คือชาวบ้านนะเขาบอกว่าไม่ต้องฆ่าทิ้งรอก หรือไม่ต้องฆ่าด้วยสาสตราด้วยท่อนไม้พระเวสสันดร น, นั้นไม่สมควรแก่เครื่องพันธนาการเลยนะไม่สมควรแก่ที่คุ้มขังนะนะแต่ขอให้พระองค์จงขับไล่พระเวสสันดร อ, ออกจากแว่นแควนไปอยู่ณภูเขาวงกดเถิดพระเจ้าค่านะล่ยหนี้ไปบวชอยู่ภูเขาวงกฏนั่นนะคือจริงเนี่ยนะมันเป็นอ่ามันเป็นประเพณีมันเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ในในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะ ในชาติที่จะเป็นคล้ายๆพระเวสสันดรเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ในบ้านในเมืองไม่สามารถที่จะให้โอรสใหมเหสีเป็นทานได้ใครจะไปขอแบบนั้นล่ะเพราะฉะนั้นไอไปอยู่ในป่านเนี่ยเป็นโอกาสที่จะให้โอรสและให้มเหสีเป็นทานได้เพรา ะ, ะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะทำให้ถูกไล่ไปอยู่ในป่างเพราะฉันชาวบ้านชาวเมืองทั้งหมดก็ช่วยกันขับไล่ แม้พระราชาก็คิดว่านี้เป็นปฏิปักษ์ใหญ่หลวงนักเอาเถิดโอรสของเราจงอยู่ภายนอกราชสมบัติสักเล็กน้อยก่อนพระองค์ก็เลยตรัสว่าหากชาวซีพีมีความพอใจเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดความพอใจแต่ขอให้โอรสของเราอยู่บริโภคกามทั้งหลายตลอดคืนนี้ก่อนจากนั้นเมื่อสิ้นราตรีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวเมืองทั้งหลายจงพร้อมใจกันขับไล่เธอออกจากแว่นแคว้นเถิด